สำหรับวันนี้ก็จะข อ, อนำมาเรื่องของพระจักคุบานแต่ถ้าว่าวันนี้จะพยายามให้จบเป็นอนุเรื่องตอนที่แล้วเมื่อสมณเณรปาลิศสิมิลหลานชายทำความไม่ดีไม่ร้ายทำลายสิ่งกับสตรีคนหนึ่งแล้วพระจักคุบานก็ได้ตัดสินใจ ว่าคำว่าคนชั่วเราไม่ยอมคบเมื่อสมณเณรงนั้นศึกบรรอากาศตนมาศึกแล้วท่านก็บอกว่าเมื่อเป็นสมณะชั่วถึงเป็นคารวะก็เป็นคารวสาชั่วก็เป็นอาว่าชั่วเหมือนกันขึ้นชื่อว่าสมณะชั่วก็ดีคารวะชั่วก็ดีเราไม่ยอมคบ เราจะดอนยอมนอนดิ้งกริ้งเกลือกอยู่แถวนี้หรือว่านอนตายแถวนี้ดีกว่าเดินทางร่วมกับคนชั่วอันนี้ก็ขอให้เป็นคติสำหรับบรรดาเพื่อนภิสุทธิสมณนีนทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทขึ้นชื่อว่าคนชั่วจงยาคบ <c oughs> เพราะว่าในมงคลนาทีบัณนี ท่านสีมังคลาจารในเปรียบเทียบไปว่าคนชั่วมีอุปมาเหมือนกับของเนา่าถ้าเราใบ ต, อ, ตองใปห่อของเนา่าแต่ความจริงใบตองนั้นไม่ได้เน่าไปด้วยแต่กลิ่นของความเหม็นมันก็ติดอยู่กับใบตองฉันใดคนชั่วก็เช่นเดียวกันถ้าเขาชั่ว เราไปคบหาสมาคมกับความชั่วของเขาเราก็กลายเป็นคนมีกลิ่นชั่วไปด้วยเป็นอันว่าขอบันดาเพื่อนบิณฑุสมนเนนทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่ประกาศตนเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงอย่าคบกับคนชั่วในเมื่อเห็นเขาชั่วแล้วก็พาตัวออกห้ห่าง แต่ข้อสําคัญอย่างยิ่งก็คืออย่าคบกับอารมณ์จิตของเราที่ชั่วเมื่อคนอื่นชั่วเราหลีกเล่นให้พ้นเขาไปได้แต่ถ้าว่าถ้าจิตใจของเราครบกับความชั่วเราหลีกไม่พ้นมันจะพาเราลงอบายาภูมิเป็นอันว่าพยายามหลีกจากความชั่วเสียแต่ความเรื่องจริงเรื่องพระจุคลบาทยังอยู่ยาวแต่วันนี้ก็จะขอร่วบรัฐจะพยายามให้จบ เป็นนั้นว่านายปาลิตหลานชายของพระเจ้าคุบานได้ยิงคำยืนยันของพระเจ้าคุบานว่าไม่ยอมคคบคนเลวอย่างนั้นแล้วก็เกิดความสังเวชใจนึกว่าเราทำกรรมหนักที่ทำไปโดยไม่ได้คิดไม่สมควรเลยแล้วก็ประคองแขนร้องไห้ขำควรเดินเข้าป่าไป เพรือว่าลุงใช้ให้มาเรมรับพระซึ่งเป็นลุงแต่ตัวกับทําความชั่วลุงซึ่งเป็นพระไม่คบก็น่าคิดเหมือนกันดันั้นว่าเวลานั้นแท้กล่าวว่าด้วยเด็ดแท่งสีงของพระมหาเทระในขนะนั้นบรรดุกัมพลศีลอาจของท่ามหาราชยาวหระยาวหกสิบโยชน์ กว้างห้าสิบโยน์หนาสิบห้าโยน์มีสีมันดอกชัยาพลิกมีปกติยุบลงเวลาที่พระองค์ทรงประทับนั่งแล้วก็ฟูขึ้นเวลาที่พระองค์ทรงแสด็กขึ้นเวลานั้ น, สนแสดงการร้อนให้ปรากฏท้าวสะกะเทวราชบางท่านอาจจะไม่เข้าใจ สคัคนคว่าเท้าสากะเทวราชนี่ก็คือพระอินทร์ทรงดำริว่าใครหนอที่ทาจะต้องการให้เราเคลื่อนจากสถานที่ว่าตามธรรมดา้ามีคนที่มีบุญวัสนาบารมีได้รับความตกยากบันดุกมพลศีราะไอขอาพระอินทร์ก็มีอาการร้อนไปบ้างแข็งไปบ้างเคยอ่อนก็เคยแข็ง บางทีมีความสบายอยู่ก็แสดงการร้อนถ้าคนที่มีบุญหนักสักใหญ่จริงๆที่พระอัฏโ์พระองค์ที่นิยามว่าบรรดุกมพลศิลาอาจมันจะร้อนให้แปลกกถ้าเป็นคนที่มีบุญพอสมควรที่พระอัจอันนี้จะแข็งนั่งและไม่อ่อนท่านก็จะทราบว่าคนที่มีบุญญาที่การเกิดความเดือดร้อนจะต้องช่วยเหลือ เหตุเนั้นพระบูรณ า, าจารย์จึงกล่าวว่าเท่าสหสเสนต์แปลว่าพระอินนิมีตาตั้งพันความจริงในตาท่านมีอยู่สองตาแต่ว่าใช้สมองคิดเรื่องคราวเดียวกันหนึ่งพันเรื่องพร้อมกันได้เหมือนกับคนมีตาตั้งพันผู้จอมเมืองเทวดาสองทิพยสุทรงทราบว่ า, วาเวลานี้พระจักรุบานเทระ ในตีเตียงคนบาปจำระเครื่องเลี้ยงชีพให้บริสุทธิ์แล้วเท้าศ า, ศ า, ศ า, นศน า, าสนาผู้เป็นเจ้าแห่งเทวดาสองที่ไปจสุททราบว่าพระจะคุมบาลองค์นี้นักอยู่ในธรรมยินดีอยู่ในพระาศาสนานั่งอยู่แล้วในป่าที่นั้น ในขณะนั้นท้าวเธอก็ได้ทรงดำริว่าถ้าเราจะไปสู่สำนักของพระผู้เป็นเจ้าผู้ติเตียนคนบาปหนักแล้วก็เป็นผู้หนักในธรรมพระโทษนะเราจะไปสำนักของผู้ เ, เจ้าผู้ติเตียนคนบาปแล้วท่านเองเป็นผู้หนักในธรรมเห็นปานช่นนี้ ถ้าเราไม่ไปศรีรษะของเราก็จะแตกเจ็ดเสียงได้ความจริงโปรดทราบว่าหัวเทวดานี่แตกไม่ได้จะมีอาการนว่าความไม่สบายในใจขึ้นเหมือนกับศรีรษะแตกเจ็ดเสียงนะถ้าไปเจอนางสีก็พูดอย่างนั้นแล้วก็อยา่าอย่าไปเชื่อนักไปในคําเปรียบเทียบเท่านั้นเทวดาคนดีพรมคนดีหัวแตกแขงขาดไม่ได้ เป็นอันว่าเราจะต้องไปสูส่สำนักของท่านครั้นสูงําดิดังนี้แล้วก็เสด็จไปเมื่อเสด็จเข้าไปใกล้แล้วเพงได้ทำเสียงเหมือนกับคนที่เดินทางไกลมาเข้ามาใกล้วางเท้าลงไปหนักๆขามความจริงเทว ด, ดาเท้าหนักไม่มีแสดงอนุณภาพให้มีความรู้สึกว่าเหมือนคนเดินดังๆ ในขณะนั้นพระเทระคือจะกูุบาลตาท่านไม่เห็นต่าถามเท้าเือว่านป่นใครเท้าสก่าเทวราชพระอิน์ก็ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นคนเดินทางขอรับพระเทระถามว่าท่านจะไปไหนอุบาสกเท้าสก่าเทวราชก็ตอบว่ากระผมจะเมืองไปเมืองสาวัตถีขอรับ พระเทระจรึงถามจึงกล่าวว่าไปเกิดท่านผู้มีอายุเท้าสะกะเทว ร, ราชก็<ๆ>ก็อก็ถามว่าพระผู้เป็นเจ้าจะไปไหนเราขอรับพระมหาเทระก็กล่าวว่าเราก็จะไปเมืองสาวาทีเหมือนกันท่านเท้าสะกะจึงได้กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเราทั้งสองไปด้วยกันเถิดขอรับ พระมหาเทระกล่าวว่าเราเป็นคนทุพพลภาพความเนื่นช้าจะมีกับท่านผู้ไปอยู่ในระหว่างทางท้าสกาเทวราชกราบทูลได้กราบเปลี่ยนว่ากิจที่ต้องการจะรีบไปไม่มีสำหรับผมเขารับถึงแม้ว่าจะไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้า ขณะที่เดินไปร่วมกั บ, รบพระผพุทนเจ้ า, าผมจะได้บุญกิริยาวัตถุสิบประการทั้งอย่างใดอย่างหนึง่งหมายความบาคกิริยาที่ทําให้เกิดขึ้นเป็นบุญมันมีอยูย่สิบอย่างแต่เรายังไม่เคยผมยังไม่เคยพูดใเสด็จทราบอย่างใดอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นกับท่านเทวาอย่างนัง้นขอเราทั้งสองไม่ไปด้วยกันเถิดครับ พระมหาเถระคิดว่านั่นจกคนคนนี้คนจะเป็นสตัตวุรุษจดยิงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านจึงจับปลายไม่เทา้เขาข้าพเจ้าเถิดอุบาสกข้าพเจ้าจะไปด้วย <c oughs> เป็นนั้นว่าเท้าสะกะราชก็ปฏิบัติตามทุกอย่างทรงย่อพื้นปฐพีตภภามพระบาลีท่านว่าอย่างนั้นแต่ผมว่าไม่ยอ่อ เล่มหนา้าฤทธิ์ของพระองค์ก็บันดาลให้เข้าไปถึงพระเชต ว, วันในเวลาเย็นพระเทระได้ฟังเสียงเครื่องประโคมของนุบรนดาดนตรีทั้งหลายจึงได้ถามว่าที่นี่เขาเรียกกันว่าอะไรท้าสกา่าเทวราชก็กราบเรียนว่าที่นี่เขาเรียกว่าเมืองสาวัตถีเขรับถ้ามหาเทรจะจึงถามว่าเวลาที่ฉันไปนะี่ยมันใช้เวลาช้ามาก แต่ถ้าว่าเวลามานี่ทำไมทั้งเร็วนักล่ะท้าวเสกเทวราชก็กลาวเปลี่ยนว่ากับผมรู้จักทางตรงรู้จักทางลัดครับในขณะนั้นพระเทระกำหนดได้ว่าผู้นี้คงจะไม่ใช่มนุษย์จักเป็นเทวดา <c oughs> ไม่นีเป็นความดำบิ <c oughs> ความรู้สึกของท่าน ในการเดินทางใช้เวลาเป็นเดือนเนี่ยท่านย่อมเดินทางมาเพียงวันเดียวถึงอย่างนี้ต้องไม่ใช่มนุษย์แน่ต้องเป็นเทวดาแต่สายที่ท่านเป็นพระหัตถสุขวิณสโกไม่มียานสำหรับจะทราบก็ได้แต่เดาเท่านั้นเพรานั้นว่าเท้าเธอนําวัฑร์ขึ้นไปสู่บรรณาราที่โกดุมพีน้องชายทําไว้ เพื่อประโยชน์กับเพื่อเป็นที่อาศัยของพระเถระนั้นนีม่มนให้พระคุณเจ้านั่งเหนือแผงกระดานแล้วยังได้แปลงกายเหมือนกับเพื่อนของจุลบันจุลบาลผู้เป็นน้องชายเ <c oughs> ข้าไปหาจุลบาลที่สำนักแล้วก็ตัดเรียกว่านี่นหะจุลบาลเสหายที่รักระดดมพีจุลบาลลองถามว่าใคร อะไรกันสหายมองเห็นแล้วนี่ก็เพื่อนกันว่าไปธุระอะไรหรือเพื่อนท่านเ ท, สกกทวสกเทวราชแปลงก็บอกว่าท่านรู้ความท่านรู้หรือเปล่าว่าเวลานี้เนี่ยท่านมาหามานพี่ชายของท่านมาแล้วท่านจุนบาลบอกว่าข้าพเจ้ายังไม่ได้ทราบข่าวเลย <c oughs> ว่าเราชมาแล้วหรือมะ <c oughs> พอเป็นไงไม่ทราบแล้วบว่าไม่ทราบข่าวว่าพระเทระมาถทาสาาทักาเทวราชก็ตอบว่าเออสหายที่รักเขาไปเจ้าไปวิหารมาเมื่อกี้นี่เองเห็นพระเทระนั่งอยู่ที่บนนารรณศาลาที่ท่านสร้างไว้เมื่อเวลาผ่านมา ยังได้แวะมาส่งข่าวท่า น, นเวลานี้พระพี่ชายของท่านมาพักอยู่ที่สลาันั้นแล้วบายกุดุมพีเมื่อได้ทราบชัดแล้วก็ไปที่วิหารนั้นเห็นพระเถระแล้วก็ลร้องไห้กรี๊งเกลียกอยู่ที่ข้างเทา้ากล่าวว่าท่านผู้เจริญจฉขพระเข้าเจ้าเห็นเหตุ น, ห น, นี้แล้วจึงไม่ยอมให้ท่านบวช แล้วก็ให้กล่าวไปว่าทำให้เด็กต่อจากนั้นไปเขาก็ให้เด็กทั้งสองที่เป็นทาาของเขาให้เป็นไทย <c oughs> หมายความว่าพ้นจากความเป็นทาาให้บวชอยู่ในสำนักของพระมาหาเทระสั่งว่าเธอทั้งหลายจงนำเอาของเคี้ยวของฉันมีเข้าต้มแล้วก็สวยเป็นต้นมาจากภายในบ้านอุปถัก ของประเถระดังนี้แล้วหมายความว่าให้เอาข้าวเอาน้ำเอากับเอาแกงอาหารมาถวายพระเถระจากบ้านก็แล้วกัน <c oughs> ตามสนนบาลี่านฟังยาก <c oughs> <c oughs> สมณีทั้งสองก็ปฏิบัติตามนั้นเป็นปกติต่อมาวันหนึ่งพ่สุทั้งหลายผู้ไปอยู่ในทิศ ต, ต่างๆไปอยู่ที่อื่น มาสู่พระเชตวันมหาวิหารด้วยอยากจะเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อถวายบังคมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแล้วก็เยี่ยมพระสีติมหาเทระคำว่าสีติมหาเทระนี่เป็นหมายความเป็นพระที่มีความสำคัญแปดสิบท่าน คือว่ามีพระพุทธเจ้าแล้วก็มีอักสาวกฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาได้แก่ภาษารีบุตรฝ่ายซ้ายได้แก่พระมุขลานะนอกจากนั้นก็มีพระที่มีความสําคัญรองลงมาอีกแปดสิบที่เรียกว่าสีติมหาธีระนาสีติอักษรวกซึ่งมีความสําคัญยิ่งกว่าสาวกปกติมีแปดสิบท่านอาสีตินี่แปลว่าแปดสิบ ท่านพยายามเดินไปเยี่ยมตามมีหารต่างๆจนทัง้งถึงที่อยู่ของพระจักรุมาลแล้ว <c oughs> ยืงมุ่งหน้าตรงไปในสำนักของพระจักรุมาลในเวลาย็นในหวังว่าจากได้พบท่านในที่นั้นในขณะนั้นเองที่กล่าวว่าวันดาไม่ตั้งขึ้นแล้วฝ <c oughs> นกำลังจะตกพวกเธอคิดว่าประเดี๋ยวเวลานี้มันเย็นแล้ว <c oughs> แล้วฝนก็กำลังจะตกเราจะมาดูเราจะมาเยี่ยมพระเทระในเวลาเช้าดีกว่าที่ตอนี้แล้วก็กลับในวันนั้นฝนตกในยามต้นแล้วก็ไปหยุดอนยามกลางเวลาตอนดึกยามสุดท้ายพระเทระซึ่งมีเคยมีความภาคเพียนในการเจริญสัพสมนธรรม <c oughs> ถึงแม้วราเวลานี้จะเป็นพระอรหันต์ก็ยังทําอยู่เมื่อฝนหายสนิทแล้วก็เดินจงกรมขณะที่เดินจงกรมนั้นปลายกฏว่าตัวแมลงเม่าทองหรือว่าที่เราเรียกว่าตัวแมลงเม่าน่นนะแล้วเต่าทองขึ้นมาจากพื้นพระเทระไม่ทราบเี่กก็เดินย่ําไปย่ามาเหยียบเสียตายเยอะแยะบรรดา ยิ่งตายเบามากท่านกล่าวว่าบรรดาโลกศิษย์ยังไม่ทันจะกวาดที่จงกรมของพระเถระแต่เช้าตรู่ห <c oughs> มายความว่าเวลาเช้าตรูนะ่นักศิษย์ยังไม่ทันจะกวาดตัวแมลงเม่าที่ตายบรรดาผิ้ศึกษาทั้งหลายเหล่านั้นก็หวังจะไปเยี่ยมพระเถระเมื่อไปเห็นตัวแมลงเม่าตายได้ที่พระเถระจงกรมจึงถามบรรดาเนตทั้งหลายว่าใครจงกรมในที่นี้ เน่งก็บอกว่าพระจักคุบาลลุงพ่อและลุงปู่ท่านลุงลงท่านกําลังท่านเดินจงกรมเมื่อคืนนี้ขอรับตาท่านไม่เห็นเหยียบมะลังเมาออตายบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นก็พากันติเตียนพระจักคุบาลว่าเวลาตาดีๆนะไม่เดินจงกรมเวลานี้ตาบอดแล้วก็มาขยันจงกรม เป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ตายจัดว่าเป็นบาปอย่างยิ่งงั่นดีไม่ดีเพราะปรับพระรหัมส่งก็าให้ที่ปรับพนแล้วบรรดาพวกพระทั้งหลายเหล่านั้นก็กลับไปทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันเตพระเวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระผู้เดียวค่ะ <c oughs> ราชกุมบารนิส่งไว้ตัวมาก ตาบอดแล้วก็ยังจงกรมตัง้งใจทําลายชีวิตสัตว์ให้ตายเป็นอันมากไปแล้วพระเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงถามว่าพิฆวิริยดูก่อนพิศน์ทั้งหลายเทวทั้งหลายเียงกําลังที่พระอจะคุมบาลทําลายชีวิตสัตว์หรือยังไงนี่เป็นถ้อยคํำนิองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส บรรดาพิสุทิ์ั้นหลายกล่าวทูลว่าไม่เห็นพระเจ้าค่ะสมเด็จพระพุทธมีพระพ่าเจ้าจาึงได้มีพระพุทธดีกาว่าท่านทั้งหลายเมื่อเธอไม่เห็นแล้วก็ทําไมเธอจึงได้กล่าวอย่างนั้นเธอทั้งกล่าวไปยังไงเมื่อเธอทั้งหลายไม่เห็นเธอกําลังทําดังนี้หมายความว่าเธอเนี่ยไม่เห็นที่พระจกักรกุบานกําลังทํา เฮเจไหนเธอจึงไม่เห็นสัตว์มีชีวิตเหล่านั้นฉะนั้นฟังยากจริงๆเป็นอันว่าเธอไม่เห็นเวลาที่ท่านเดินแล้วก็เธอไปเห็นสัตว์ตายทําไมทีไจะรู้เพราจะจักคุบาลเหยียบตายเอาอย่างนี้ดีกว่าพิสุททั้งหลายเหล่านั้นจึงกล่าวว่าขึ้นชื่อว่าเจตนาถ้าพระพุทธเจ้ากล่าวว่าดูก่อนพิสุท์ทั้งหลาย ขึ้นชื่อว่าเจต น, นาเป็นเหตุให้ตายคํา่ากีนาศทั้งหลายไม่มีคำว่าบักีนาศหมายว่าคนที่สิ้นอาจากอาสวะกิเลสแล้วคือพระละหัน <c oughs> <c oughs> บรรดาวิสุทธ์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่ออุปนิสัยแห่งพระละหันมีอยู่เฮจนท่านยิงกลเป็นคุณอ๋อ วันใดพิสุทธิทั้งหลายท่า น, นถามว่าเมื่อท่านมีวิสัยที่จะเป็นพระอรหันต์มีอยู่ทำไมตาของท่านจึงบอดสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายเป็นเรื่องหน้ยกรรมของเธอที่ทำไปแล้วในชาติก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายเหล่านั้นในกราบทูลถามองค์สมเด็จพระชินาวรน์ว่าพระจากคุบาลทำอะไรไว้ สมดเด็จพระจอมไตรยบรมศาสนายังกล่าวว่าพิฆวีดูก่อนพิสุททั้งหลายถ้าเธออยากจะทราบอย่างนั้นแล้วก็เราจะเล่าให้ฟังจะงได้นำอาอาบุพกรรมของพระจักรุมบานมาว่านานดีตการครั้งเมื่อพระเจ้าพาราณสีทรงดำรงราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี หมอผู้หนึ่งเกี่ยวไปทำเวชกรรมอยู่ในบ้านและนคิคมต่างๆเห็นหญิงทุกว่าหญิงทุรพลหมายความหญิงตาไม่ดีคนหนึ่งตาเจ็บจะไดถามว่าความไม่พัฒน์สุขคือความไม่สบายที่ดวงตาของท่านมีอยู่หรือหญิงคนนั้นก็ตอบว่าข้าพเจ้าตาข้าพเจ้าไม่เห็นเจ้าค่า หมอว่าถามว่าขบัติเจ้าจะทํายารักษาให้ท่านเอาไหมยิงนั้นก็บอกว่าดีที่คุณหมอคุณหมอก็จัดการทํายาให้ท่านเจ้าหมอว่าถามว่าท่านจะให้อะไรกับข้าติเจ้าบ้างถ้าหากว่าขบัเจ้ารักษาหายญิยงนั้นก็กล่าวว่าถ้าท่านสามารถจะรักษาตาขบัติเจ้าให้กลับหายขาดกลคืนดีได้ตามเดิม ข้าวาเจ้ากระโบทินดาจากยอมเป็นท้ายของท่านเอาคนนั่งค่าจ้างมาแรงจัดหมอรับว่าดีละด้ิหแล้วก็ประกอบยาให้ยอดเพียงครั้งเดียวก็ปรากฏว่าตาของเธอหายสนิทหมอสมันนังเขาเก่งมากเมื่อเวลาตายหายแล้ ว, ย, ย, ลวยิ่งคนนั้นก็ไกม่คิดแล้วว่าเราได้ปฏิญาก็หมอไว้ว่า ถ้าหากว่าตาของเราหายเรากับโลกบุตรทินดาทั้งหมดจะยอมเป็นท่าทาสีของเขาก็แต่ว่าถ้าจะเขาไม่เรียกเราด้วยวาจาอันอ่อนหวานเราจะโกวงเขาหมายความว่าถ้าว่าหมอจะมาทวงต้องทวงด้วยวาจาอ่อนหวานถ้ามาทวงแบบเจ้านี่จะไม่ยอมเป็นอนุว่า เมื่อหมอมาก็ถามว่านี่นางผู้เจริญนิวาจานี่ไม่ชอบใจแล้วเล็กนางอาตอบว่าเมื่อก่อนนี้นี่ถามว่าตาหายมีอย่างนางก็เลยบอกว่ายังเจ้าค่ะตายังไม่หายแต่ความจริงหายแล้วที่นี่หมอก็ทราบเมื่อหมอทราบกันคิดว่ายายนี่คิดจะคกงก็ดีแล้ว จะได้กล่าวว่าเอาอยัางงี้ก็แล้วกันนะถ้ายาขนานแรกไปหายยาขนานหลังนี่หยอดหายแน่จึงได้ประกอบยาขึ้นใหม่ขนานหนึ่งขนนี้เป็นยาทําลายดวงตาเป็นอันว่าหมอก็บังคับให้คนไข้นอนลงแล้วก็หยอดตาให้หญิงนคนนั้นจะไม่ยอมก็ไม่ได้ที่บอกว่าตามันยังไม่หายนี่ก็ต้องยอมเขายอด การหยอดเขานี้หายทันทีทันใดพอหยอดลงไปก็ตามบอดโอ้สมเด็จประสัมม า, ส, จจามสัมพุทเจ้าจึงไน้ทรงตรัสว่าพิสุทธิ์ทั้งหลายกรรมที่บุตรของเราทำไว้แล้วในอดีิตการติดตามเธอมาหนึ่งก็จริง จ, งจงอยู่ขึ้นเชื่อว่าบาปกรรมนี้ย่อมตามบุคคลไปเหมือนล้ออันหมุนตามรอยเท้าโคฉะนั้น ั ก, ก็ขั้นตัดเรื่องนี้แล้วองค์สมเด็จพระบรทิพ์แกวผู้เป็นธรรมราชาได้ตัดบาทราคาถามบอกกนุสนที่หลุจจาประทับพระราชานพระราชาสารเหมือนกับ ร, ราชาที่ประทับพระราชาสารซึ่งมีดินประจำไ้แล้วท่ า, ท า, ทาว่ายังไงด้วยบาดราคาถามว่ารมทางหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจ มีใจเป็นใหญ่สำเร็จตใจถ้าบุคคลใดมีใจร้ายพูดก็พูดร้ายทําก็ทําร้ายแล้วไอ้ความร้ายปืออย่างทั้งหลายเหล่านั้นย่อมเป็นเหตุให้เขามีทุกข์เพราะอย่างนั้นท่านยกล่าวว่ากรรมเหมือนก็ล่อหมุนไปตามลอยโคชนั้น เป็นอันว่าเรื่องของ้าพระจุกุมบายก็จบลงเพียงเท่านี้เมืองค์สมเด็จพระจินศรีบรมสัสาศนดาสัสมมาสัมพุทธเจา้าทรงแสดงเรื่องนี้จบคือว่าแสดงบุพกรรมให้แก่บรรดาภิสุทธ์ทั้งหลายแล้วนั้นจบก็ปรากฏว่าบรรดาพิสุทธิ์สามพันลูกได้บรรลุอรัตผลพร้อมไปด้วยปฏิสัมพิธาญาณเป็นอันว่าวัรรมเทช น, นาขององค์สมเด็จพระวิชิตมาน ในเรื่องของพระเจคุณบาลก็จบลงเพียงเท่านี้เรื่องที่จะเล่าต่อไปก็เป็นเรื่องของมัตต์ุนดลีเทพบุตรความจริงเรื่องมัตต์ตะคุนดลีเทพบุตรเคยกล่าวมาแล้วโดยยอดแต่ต่อไปนี้จะกล่าวเต็มสูตรก็มีประโยชน์มากสําหรับท่านผู้ฟังเพราะนั้นว่าบรรดาท่านนางหลายได้รับฟังเรื่องราวของพระเจคุณบาลมาแล้ว ท่านมีความรู้สึกเป็นรายการใดบ้างในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระปรพทีพแก้วที่เอาพระจะคุมบานเป็นเหตุว่าธรรมะที่องค์สมเด็จพระบรมโลกระเชษทรงสอนพวกเรา ท, ที่ท่านานั่งหลเรานั่งเข้าถึงความดีได้ก็เพราะสายมีความใจจริงแล้วก็ใจสะอาด แน่วแน่ในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลกนานตหมายความว่าพระพุทธเจ้าสอนแบบไหนจำแล้วปฏิบัติตามด้วยความจริงใจแต่สำหรับพระจาคุบาลนี้ถือในสัจฉิมากไปเป็นการทรมานตัวแต่ว่าใจของท่านจริงก็สามารถบลุมาผลได้แด้ว่าเป็นขั้นสุขวิปัสสโกก็เป็นอรหันต สำหรับบริวารของท่านหกสิบลูกเป็นอรหันตปริสมิธายานตอนนี้ท่านอาจจะสงสัยว่าอาจารย์เป็นสุขวิปัสสโกและลูกศิษย์เป็นปริสมิทายานได้อย่างไงให้กล่าวมาแล้วเพราะว่าสายที่ท่านหลายผู้นั้นทรงฌานสมาบัติถึงรูปฌานเวลาที่บรรลุลาลาัตผลจ่อมในธรรมตนของท่านในเข้าถึงเป็นพระอรหันต์ขั้นปฎิสมิธายาน แล้วท่านมีฤทธิ์ขนาดนั้นเวลาจะกลับมาก็ไม่ยักจะแบกกระพาะจากคุูบาลมันด้วยนี่จำไว้ด้วยนะว่าฤทธิ์สำหรับพระนี่เขาไม่ได้ใช้ทรงเดชไปตามที่เราที่คนกินที่มีกิเลสในกันเขาต้องใช้เฉพาะเหตุผลจริงๆอารวบันดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเวลาที่จะแนะนำกันเรื่องพระจากคุูบาลก็หมดแล้ว สำหรับเรื่องพระจากคุมบาลก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแต่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี